ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพระเทวทัตว่าเทวทัตทราบว่าเธอเพียรพยายามเพื่อทําลายสงฆ์เพื่อทําลายจักจริงหรือพระเทวทัตทนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตาําหนิว่าโมฆบุรุษ